สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่4ของ7ขั้นตอนในการเจริญเติบโตนะครับปรากฏอยู่ใน20กฎทองคําของาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ฟลิปเทงและแปลโดยท่านาศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยถินนะครับพี่น้องครับประเด็นที่สำคัญในวันนี้เป็นเรื่องราวของการที่เราจะต้องดูแล ชีวิตภายในของเราและชีวิตที่อยู่ภายนอกที่ตอบสนองต่อสิ่งเราสิ่งยั่วยวนภายนอกครับและเครื่องมือที่สำคัญในชาวันนี้เป็นเครื่องมือชนิดที่4และที่5นะครับเพื่อชีวิตของเราที่จะเติบโตขึ้นนั้นกฎแห่งการเติบโตซึ่งเป็นกฎที่15นะครับในประเด็นย่อยที่4และที่5การเติบโตนั้น จะต้องมีการเหนี่ยวรั้งตนครับพี่น้องครับการเหนี่ยวรั้งตนคืออะไรเพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้ปรากฏทำให้เรารู้ว่าการเหนี่ยวรั้งตนก็คือการรู้จักประมาณตนรู้จักตัวเองการรู้จักประมาณตนรู้จักตัวเองนั้นแท้จริงแล้วเรารู้นะครับว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในการเติเติบโต ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นก็คือเนื้อหนังครับตันหาเนื้อหนังเราจะพบว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราอันหนึ่งก็คือเนื้อหนังครับแม้ว่าเราจะมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นที่ดียังไงก็ตามเราจะมีความเชื่อที่ดีเราจะมีคุณธรรมที่ดีเราจะมีความรู้ที่ดี แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหักห้ามใจของตัวเองเหนี่ยรังตนเองประมาณตัวเองตอบสนองเนื้อหนังอย่างถูกต้องก็คือการที่เราควบคุมควบคุมร่างกายความต้องการของเราพี่น้องครับท่านอาคาทูดเปาโลเขียนอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันแข็งจนอยู่มือ ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันแข็งจนอยู่มือซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่ 9: ก้ข้อยีนะครับนี่คือการรู้จักประมาณตนครับนี่คือการรู้จักประมาณตนพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่หรือขวากหนามบนหนทางในการเติบโตนั้นคือเนื้อหนังครับเนื้อหนังความต้องการของเนื้อหนังความต้องการฝ่ายโลกความต้องการฝ่ายอธรรม พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าการจเจริญเติบโตนั้นเป็นการพัฒนาเป็นกระบวนการฝ่ายวิ ญ, ญญาณที่ทำให้เราเติบโตขึ้นและเป้าหมายของเราก็คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับพระวิ ญ, ญญาณจะเริ่มกระบวนการในการทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูในการที่เราจะเติบโตเป็นเหมือนพระองค์นั้นการที่พี่น้องครับเราเองเราจะพบกับฤทธิเดชของพระเจ้า เราจะได้พลังที่มาจากพระองค์เราจะได้รู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีสารพัดและจัดเตรียมสิ่งสารพัดอันอุดมของพระองค์ให้กับชีวิตของเรานั้นพระเจ้ามีพระสัญญาอันประเสริฐยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราครับพี่น้องการรักษาซึ่งความรอดที่เราได้มานั้นเมื่อเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่อันเนื่องมาจากผลของความรอดที่เรามีอยู่ นั่นคือการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องหากว่าใครก็ตามที่ไม่รู้สึกถึงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับหรือไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในเรื่องนี้แสดงว่าเราอาจจะมาผิดทางนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างเรามาพระเจ้าให้เราบังเกิดใหม่ สิ่งสราสรพัดเก่าๆของเรานั้นต้องล่วงไปและนี่แนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทันนั้นมันเป็นกระบวนการครับที่ชำระให้บริสุทธิ์เราต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์จากพะระวจนะของพระเจ้าและจากการส่งนำของพระวิญญาณฉะนั้นเองนำมาซึ่งการเติบตโตฝ่ายกิจวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณที่เราเห็นว่ามันเป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนการพี่น้องต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ครับว่ามันเป็นกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกระบวนการที่ ต่อเนื่องกันไปค่อยเป็นค่อยไปตลอดชีวิตที่เราอยู่ในโลกนี้โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความปรารถนาอันแรงกล้าของเราด้วยความเชื่อด้วยธรรมะที่เรามีอยู่ความชอบธรรมที่เรามีอยู่จากองค์พระวิญญาณเจ้าแล้วสิ่งต่อไปก็คือจะต้องมีความเหนี่ยวรั้งตนนี่แหละครับพี่น้องครับความเหนี่ยวรั้งตนนี้เป็นเสมือนกับเป็นกราะ ป้องกันตัวเองที่จะไม่ทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่พอพัะไถยไม่ทำบาปไม่ทำสิ่งที่ล่วงเกินพระเจ้าเกินกว่าที่พระเจ้าต้องการให้ทำโดยความช่วยเหลือของพระวัญญาณบริสุดครับโดยการยอมจำนนต่อพระองค์เราจะสามารถเอาชนะความบาปได้มากขึ้นเรื่อยๆและมีชีวิตที่เหมือนองค์พระเยซูพระผู้ช่วยรอดของเรามากขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้อง พี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และยากลำบากที่สุดของการเติบโตคือเนื้อหนังครับเนื้อหนังหรือเรียกว่าฝ่ายโลกนั่นเองเราจะต้องวางรั้วของเราให้ดีรักษาชีวิตของตนให้บริสุทธิ์รู้จักเหนี่ยรังตนรู้จักประมันตนต่อไปครับจะเป็นเรื่องขันติขันตินั่นแปลว่าความอดทนอดกลั้น ความอดทนนำมาซึ่งชัยชนะต่อสิ่งยั่วยุที่อยู่แวดล้อมเราพูดง่ายๆก็คือว่าความอดทนนั้นทำให้เราชนะสิ่งแวดล้อมครับในขณะที่ความเหนียวรั้งตนนั้นชนะตัวเองที่อยู่ข้างในแต่ความอดทนนั้นมีความหมายว่าอดทนต่อสิ่งเราที่มาจากข้างนอกมาจากสิ่งแวดล้อมบนหนทางของการแสวงหาการเติบโตนั้นเราไม่เพียงต้องชนะเนื้อหนัง ที่อยู่ภายในของเราครับเรายังต้องชนะสิ่งแวดล้อมด้วยเราถูกศัตรูทั้งภายในภายนอกใช่ไหมครับพี่น้องครับจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยการประมาณตนการเหนี่ยวรั้งตนนะครับจกัดตัวเองขีดวงให้กับตัวเองที่จะไม่ทาผิดทำบาปรับการชำระให้บริสุทธิ์ภายในและเรายังต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยุสิ่งทดลองการทดลองที่อยู่ภายนอก เมื่อพี่น้องเข้าใจความเหนี่ยวรั้งตนพี่น้องก็จะเข้าใจขันติก็คือความอดทนอดกลั้นครับพี่น้องครับชีวิตที่ปรารถนาที่จะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นตัวชี้ว่าเรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าแท้ครับสาวกของพระเยซูเปาโลท่านเขียนว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันทิสุขนั้น ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดนี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทโซนิกาบทที่5ข้อที่ยีบ 3, นะครับเราเห็นว่าอาัคขทูตเปาโลหรือสาวกของพระเยซูเปาโลท่านไม่ได้สอนให้พวกพี่น้องตั้งจุดมุ่งหมายที่จะก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสูงที่เขาไม่สามารถก้าวขึ้นได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นอุดมคติที่ทำทำไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านเปาโลนั้นอธิษฐาน ให้เราได้รับพลังที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าสงผพอพไทยที่จะประทานให้ชีวิตของเรานั้นก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์ครับและท่านอาคาทูตเปาโลทราบ ว, ว่าทุกคนเหมาะสมที่จะได้พบกับพระเยซูด้วยความสงบสุข ด, ด้วยความรักและด้วยความชื่นชมินดีเพราะว่าตัวเองนั้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับคริสเตียนแท้จะไม่ถามว่า คนอื่นจะคิดยังไงถ้าฉันทําสิ่งนี้คนอื่นจะเห็นหรือเปล่าแต่พี่น้องครับรคริสเตียนแท้นั้นเขาจะถามตัวเองว่าพระเจ้าเห็นเราในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ทําสิ่งที่เป็นความผิดความบาปบรรดาลูกทั้งหลายของพระเจ้าเราจะต้องมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติถวายสง่าราศีแด่พระองค์ พี่น้องครับอย่าเอาพระคุณของพระเยซูพระคุณของพระเจ้านั้นมาเป็นเรื่องเล่นๆครับและหลายคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาก็จะดูถูกคริสเตียนว่าพวกคริสเตียนนี้ดีเนอะทำผิดก็ไม่เป็นไรแก้บาปสารภาพบาปได้พี่น้องครับอย่าให้ชีวิตของเราทําให้พระเจ้าเสื่อมเกียรติ เราต้องรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเรานั้นต้องอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมเหนือผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ครับขอพระเจ้าเสริมกำลังรักษาชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการเหนี่ยวรัางตนและมีขันติอามน